الشيطان ا ل ัยุบ ن ลลอฮฺม์จากอิสลามันรจบิ ح ม ول ิ ا ل าฮฺุลาะห์ะมานุลาะ ب ์ีมะฮ์มด ل ا ลลาฮฺุร ل บบ์ุลอาลามินุว่าบี و นัสตัยน์ุว่าอุ ل วานะุอัลลัล์ุล์ุล์ุล์ ل ล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุ ف ์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุล์ุ ك شيء ال l a h u m m a laka ت l h a m d u hatta tarda walaka alhamdu ida ridj و, و ش ه د لا ا إلى الله د ه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها الأولين والآخرين و وأ ش ه د, أن د ا أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله أرسل الله ب ا ل ه د ا ودين الحق لجسمره للدين كله ولو كله الكافرون ولقد أدى الأمانه وبرق الرسالة ونصل أمة و ج ال ا د, ل د في ل ح ق هذه วาจะซา الله أن وأن أمته خير ما جازه النبي أن عمته أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ل م ن ل له عينين ولسان وشفتين و د ي ن ه ن ج ي ن ัวพผู้ทงสงส่งพผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้นะครับว่าเราไม่ได้ทำให้เขานั้นมีตาสองข้างให้เขามีหนึ่งลิ้นสองลิมนฟีปาก แล้วเราก็ไม่ได้นำทางเขาไปสู่นะะัชเดนแกลนันหรือพี่น้องครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดกันมาเกี่ยวกับเรื่องของลิน้นพอเป็นเรื่องของประเด็นของลิน้นปุ๊บแล้วไปได้ต่อยอดไปคุยในประเด็นที่คิดว่าจําเป็นที่มิซิมเราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ที่พวกเราจะต้องระวัง แล้วก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคําพูดที่หลายๆครั้งเราไม่ทันได้คิดหรือเราไม่ได้คิดว่ามันสําคัญเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลให้กับเราเกินจินตนาการในโลกหน้าเลายก็ได้ว ah, ่าเราอาลัมพานั้นก็จงระวังคําพูดของพวกเราทุกคนให้ดีพี่น้องที่รักยิ่งครับธรรมชาติของเราถ้าเกิดพี่น้องสังเกต ด, ดูชีวิตแต่ละวันของพี่น้องชีวิตแต่ละวันของผมเราก็จะมีการคบค้าสมาคมกับบุคคลที่เรารัก ถูกไหมครับบางทีเร า, าก็จะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรู้จักหรือว่าใครก็ตามแต่บางทีเราก็นั่งแล้วก็พูดคุยกันอาจจะเป็นตอนเช้าจะไปทานอาหารในเป็นสภาคาเฟ่อาจจะเป็นที่บ้านอาจจะเป็นที่ทำงานอาจจะเป็นที่เรียนปกติแล้วพวกเรามักจะ มีวงสนทนาการสู้แรงนั่งพูดคุยกันมาเรื่องสพเปรห์ละนะครับผมอาจจะเป็นสรารพัดเรื่องที่พวกเราสนใจเรื่องที่ว่ามันกําลังดังเรื่องที่มันกำลังติดเทรน์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่พวกเรามักจะหยิบมาพูดคุยกันพี่น้องที่รักกิ่งครับสําหรับมุสลิมเราอย่างที่เตือนมาจะถึงตอนนี้ก็คือทุกคําพูดที่ออกไปจากปากของเรามาเยลฟัสมินเกาลินอินแลนด์ไดฮิโรคิบุนออติดโพลสุบานูอัตราไดเตือนเราไว้ครับพี่น้องไม่มี คมใดไม่มีคำพูดใดที่จะออกจากปากของเขานอกจากว่าในที่ของเขาจะมีร็อกกี้กับอาตีสอยู่ที่ว่าทำหน้าที่บันทึกทุกคำพูดที่เราพูดมริกาที่จดบันทึกความดีแล้วก็มริกาที่จดบันทึกสิ่งไม่ดีที่พวกเราทา วอล์ตสวาลตราบอกว่าไม่มีคำพูดใดยที่จะพูดนอกจากว่าจะต้องมีการถูกจดบันทึกเพราะฉะนั้นวันแต่ละวันเราจะถูกจดบันทึกอะไรบ้างเราก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราล้อไม่พอใจบ้างสักกี่เรื่องพี่น้องเรามาคิดเรามาจินตนาการเอาแค่ในวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างที่ว่าเราพูดคุยกันทั่วมันเป็นการพูดเล่นบางทีก็เป็นเรื่องของการโกหกบางทีก็อาจจะเป็นการล้อเลียนคนอื่นบางทีอาจาาอาอาจะเป็นการยิงธาเนาดื่มบางทีเป็นการใส่ร้ายคนอื่นมันเกิดขึ้นทุกวัน มันเกิดขึ้นทุกวันครับบางครั้งพวกเราอาจจะทํามันไปจนเรารู้สึกมันเป็นเรื่องเคยชินจะเป็นโกหกจะเป็นอินทอรจะเป็นสายลับจะเป็นพูดในเรื่องที่ไร้สาระพี่น้องทีละครับท่านรบียร์มุส ล, ลิมได้เตือนไว้อยู่ในพระขออ้อยหมัน่นเจริญดีซึ่งเชิดอัลบานีรอฮิมุลลอฮบอกว่าเป็นฮาลที่สองเนีญญ่ยท่านระบียร์มุส ล, ลิมได้พูดเตือนพวกเราทุกคนเอาไว้ครับซึ่งน่าจะเข้ากับทุกคนเลยทั้งตัวผมก็ไม่ไม่รอดแล้วก็พี่น้องทุกท่านผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีใครในหมู่พวกเรารอด ท่านน บ, บีมุสลิมั่งว่ามา جلس قوم مجلسا لم يذكر الله ه لم ف ه ولم ي ص على ب ي ه م إ ف ش و ش غ นรสบทนี้ครับท่านน บ, บีมุสลิสัได้เตือนพวกเราทุกคนเอาไว้ว่าไงครับไม่มีกลุ่มชนใดที่ว่าเขาจะนั่งพูดคุยกัน นั่งพูดคุยกันในปัจจุบันก็คือการนั่งพูดคุยกันมีหลายรูปแบบต่อให้เราอยู่กันคนและจังหวัดคนและประเทศเราก็สามารถนั่งพูดคุยกันได้ครอบคุมหมดเลยจะเป็นการใช้สื่อจะเป็นการใช้โซเชียลจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่ว่าเขาจะมีการพูดคุยกันโดยที่เขาไม่ได้ลำลึกถึงอัลลอ์เลยในการพูดคุยนั้นแล้วก็ไม่แม้แต่กระทั่งจะสลวะให้กับท่า น, นาบีมฮัมมัสสดสุลลัลลอฮุะลาฮิวะสัลลัม ซึ่งผมว่าน่าจะพบเจอกันบ่อยใช่ไหมครับท่านระบีว่าไม่มีกลุ่มชนใดนะที่นั่งคุยกันโดยที่ว่าเขาไม่ได้ระลึกลึกถึงอัลลอฮ์ในการพูดคุยนั้นคือคุยเรื่องไร้สาระตลอดจนจจจตั้งแต่แรกจนจบทาบ่านระบีบอกไม่มีกลุ่มชนใดเลยที่นั่งคุยกันโดยที่ไม่ได้ระลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้สรวบให้กับท่านรบีนอกจากว่าความหายนะมันเกิดขึ้นกับเขาแล้วอินละแค่ละไอเลหิมติรตันติราตัาา น, าานก็คือความหายนะแล้วก็ความเสียใจ พี่น้องที่รักความเสียใจแปลว่าอะไรพวกเราเคยรู้สึกเสียใจไหมถ้าเกิดเราคุยในชีวิตประจําวันเวลาเราไปสปากาแฟบางทีเราก็คุยแล้วก็สนุกได้หัวเราะได้อะไรกันไปไม่มีหลายเลยถ้าเราบอกว่าฉันไม่ เ, เคยเสียใจเลยนี่ไหนละความเสียใจไหนละความเสียใจที่ท่านบีบอกพี่น้องที่รักความเสียใจมันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แต่มันจะไปเกิดในวันที่ความเสียใจมันจะไม่ยังประโยชน์อะไรเราอีกแล้ว ความเสียใจช่วยอะไรไม่ได้แล้วในโลกหน้าเมื่อตอนที่พวกเราเอาบันทึกทั่วรอ ก, กิบอติสบันทึกทั้งหมดนันเนี่ยเอาไม่พวกเราอ่านแล้วพวกเรากล่าวว่าไงครับกาแฟบีนัพซีเกลเย่ม่อเล่แกฮัซีบในวันเนี่ยเจ้าสอบสวนตัวเองก็เพียงพอแล้วไม่ต้องให้ใครสอบสวนเจ้าอ่านของเจ้าเองเราไม่ทันอ่านเราก็พอจะรู้เราเราแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเสียใจไหมเสียใจหายนะหมหายนะขาดทุนไม่ขาดทุน นี่คือเตียระะที่ท่านาบีมัสละลัลฮุลสลัมบอกไว้ทุกครั้งที่พวกเรานั่งกลุ่มกันแล้วก็มีการพูดคุยกันท่านอบีบอกมันจะมีแต่ความไหยนะมันจะมีแต่ความเสียใจ เพรถึงเวลาโลกหน้านะอุรุบิลามังซาลีครับก็จะคิดกันว่าเนี่ยทำไมเนี่ยมันนั่งคุยแันอยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมไม่รำลึกถึงอลล็อคน่าจะมีรำลึกถึงลอสักคำน่าจมีซักเรองลอคือยังดีน่าจะมีสุภานอลล็อน่าจะมีมาชาวลอทําไมฉันถึงพลาดไปทําไม่ฉันถึงนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีนั่งคุยอาจจะเป็นกับแฟนกับใครก็ตามแต่คุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงทําไมฉันคุยโดยที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจตลอดทำไมฉันถึงไม่คิดถึงอลล็ออยากจะเขคหัวตัวเองอยากจะบอกตัวเองแต่มันก็ไม่ันแล้ว มันก็เหลือแต่ความขาดทุนแล้วก็ความเสียใจนี่ท่านนบีมุอลิมสั่งเตือนให้เราตั้งแต่ดุลยาเตือนเตือนตั้งแต่ก่อนที่เราจะเสียชีวิตไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนั่งคุยกันโดยที่ไม่ได้รู้ถึงอัลลอฮ์เลยแล้วก็ไม่ได้การสวารให้กับท่านนบีเลยนอกจากจะต้องเกิดความเสียใจแล้วก็ความขาดทุนในกลุ่มชนกลุ่มนั้นฮะดิษไม่จบแค่นี้ครับเฝออินชาอัลละบะฮุมวออินชาอัลอฟาระละหุม อัลกุรอานท่านอับดุลลาห์ของอิสลามผู้ที่ไม่พูดสิ่งใดนอกจากจะต้องเป็นสัจธรรมที่มาจากพระองค์ท่านอบีได้กล่าวต่อไว้ครับว่าหากพระองค์ต้องการก็จะลงโทษพวกเขาณเวลานั้นเลยหากพระองค์ต้องการคือเวลาที่เรามานั่งพูดคุยกันแล้วคุยแต่เรื่องไร้สาระคุยแต่เรื่องที่ไม่ดีคุยแต่อะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่ามันสบายรู้สึกมีความสุขท่านอบีบอกว่าในการพูดคุยนั้นหากพระองค์ต้องการก็จะลงโทษพวกเขาเลย ว่าอินชาอัลอฮรละหูและหากพวกละล๊อตต้องการพวกละล๊อตก็จะใช้อภัยโทษพวกเขาแปลว่าการที่มานั่งพูดคุยกันโดยที่ไม่มีการล้ำลึกถึงพวกละล๊อตเลยไม่แม้แต่กระทั่งจะสรรวาเท่ากับท่านอับดุลสลามรีถือว่ามัจลิสานถือว่าการพูดคุยนั้นเป็นการพูดคุยที่เลวร้ายที่สุดอาจจะมีการลงโทษซึ่งการลงโทษของพวกละล๊อตถ้าลงโทษในโลกตุนยาก็คือเป็นการลงโทษที่ไม่สามารถจะเตาบายได้อีกแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการลงโทษสถานเบาเป็นการเตือน อาจจะมีโอกาสให้พวกเราได้อย่างเต่บาบ้านอาจจะมีโอกาสให้พวกเราได้กลับในกับตัวพี่น้องไม่มีทางรู้นะครับบางทีที่เรากลับมาที่บ้านทะเลาะกับครอบครัวหรือพบกับความหายหน้าในธุรกิจที่เราทําหรือว่าเจอสิ่งที่ไมีในชุดประจําวันของเราบางทีอาจจะเกิดมาจากการที่เราไปนั่งคุยกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแล้วเราลื ม, ล, มลืมลึกเสอยละลืมสวัสด้กับท่านบีก็เป็นได้แล้วไม่มีทางรู้ ผมก็ไม่รู้พี่น้องก็ไม่รู้แต่ท่านระเบียมหาศรีสลัมบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทําให้ผู้อัลลอฮ์ลงโทษตั้งแต่ในดุลยาการที่ว่านั่งคุยการพูดคุยการคุยแต่เรื่องสัพเพหาลคุยแต่เรื่องไร้สาระคุยแต่เรื่องธุรกิจคุยแต่เรื่องแฟชั่นคุยแต่อะไรก็ตามแต่โดยที่ไม่มีการนำนึกถึงอัลลอฮ์ไม่แม้แต่จะสวายให้กับท่านระบียถ้าไม่ถูกลงโทษในดุลยาโลกหน้าพวกเราทุกคนนี่แหละที่จะต้องเสียใจทําไมไม่นำนึกถึงอัลลอฮ์ทำไมฉัไม่ทําความดี ถ้ามันมีอะไรเพิ่มอีกสักอย่างให้มันดีๆมันก็คงจะดีพี่น้องลองจินตนาการเวลาที่ว่ารายงานชีวิตตลอดชีวิตของเราเนี่ยครับมันมีแต่แดงเถือกมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็คงคาดหวังคือต่อให้เราไปเมืตอนนั้นผมว่าเราจินตนาการกันออกแล้วก็คงคิดว่าสัญอยากจะเจอไอ้ที่มันเขียนดีบันทึกที่มันเขียนดีทำไมไม่มีเลยเปิดหน้าแล้วหน้าเล่าทำไมชั่วโมงนี้ทั้งชั่วโมงมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีอาจทำไมอีกชั่วโมงก็ยังไม่ดีอาจทำไมฉันนั่งทำความชั่วเป ฉันน่าจะทำความดีอะไรสักอย่างในนั้นเพราะนั้นพี่ล้องพูดอะไรที่ติดปากพ น, นุมเถลอุาอัลลอฮอฮมดลอจริงหรอเกิดเหตุการณ์นี้จริงหรออฮมดลนะอัลลอ์เมตานะมีการนึกถึงอัลลอฮ์บ้างในการพูดคุยจะพูดถึงเรื่องสวยๆงางๆอะไรก็ตามแต่เนะี่ยนะโอฉันไปดูนั้นมาสวยเหลือเกินฉันไปดูตรนั้นที่สวยมาเชาลล้าอลอฮมดีลาสวยจังเลยก็มีการคิดถึงอัลลอ์บ้าง พยายามมันคิดถึงพอร์ล็อตต่อให้จะเป็นเวลาที่เราสนทนาไม่ต้องไปกลัวคนอื่นจะว่าเราเข่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่พี่น้องคิดถึงคําพูดในบีก็พอละโลกหน้าเราจะเสียใจถ้าเกิดเวลาที่เราพูดคุยในกลุ่มชนในกลุ่มชนได้แล้วเราไม่ได้ยินมือถืรอร้อนเราจะเสียใจอันนี้คือท่านนบีบอกไว้เพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงคนอืน่นแล้ก็จะบอกไอ้นี่เมื่อวันก่อนเมือม่อเมื่อก่อนมันยังไม่เห็นเข่งวันนี้มันทําเป็นเข่งใครจะว่าอะไรไปว่าไปถ้าเราทําสิ่งที่ดีเราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังพี่น้องครับทีนี้ ฮาดิสิกบทนึงครับท่านนบีมุสลิมใช้ศัพท์ที่แรงกว่านี้สำนวนคล้ายกันเลยจัวแร่อยู่ในบันทึกของอิหมัมอาบูดาวุตเมื่อกี้อยู่ในบันทึกของอิหมัมเติมีรีบันทึกของอิหมัมอบูดาวุตครับสำนวนแรกเหมือนกันก็คือไม่มีกลุ่มชนกลุ่มชนใดที่เขานั่งพูดคุยกันสะเพรเหราการโดยที่ไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เลยไม่แม้แต่จะกล่าวสารวะให้กับท่านนบีนอกจากว่าเมื่อพวกเขาแยากย้ายกันไปพวกเขาจะแยกย้ายกันไปในสภาพของซากศพของลา ยยยยแยกย้ยกันไปในสภาพพิลามันก็หนักแล้วนะเป็นลาเพราะสําหรับคนอาหรับครับถ้าไปด่าเขาว่าลานี่คือเจ็บสุดๆแล้วเจ็บมากเลยเจ็บยิ่งกว่าคนไทยถูกด่าว่าเป็นวัวเป็นควายสิอีกคือคําว่าลาสำหรับคนอาหรับนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบมันเสียงก็รังเกียจเสียงก็น่ารังเกียจเพราะเราบอกอินนะอินนะอังกอร์อัสวสะสตีลาสตุลฮามียตเพราะเราเ ก, ก่าในคุร่าเลยครับว่าเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือเสียงของลาในบรรดามัคลุลขิอลล้อสร้าง สิ่งมีชุวิที่มีเสียงแน่รังเกียจที่สุดพวกลอกกล่าวในกุรานว่าคือเสียงของลาซึ่งก็เหมือนเหมือนกับเสียงของคนที่ว่าชอบควนค้างเหมือนกับเสียงของคนที่ว่าชอบบวยวายในรุสบบนี้ท่านอบีบอกว่ามานั่งคุยกันแล้วแยกย้ายกันไปไม่มีการคิดถึงอัลลอฮ์ไม่มีการรำลึกถึงไม่มีการสวามให้กับท่านอบีเลยลุกไปเหมือนกับศพของลาแปลว่ายิ่งกว่าลาพี่น้องรวมระหว่างสองสิ่งที่มันไม่มีใคร ชอบถ้าเกิดพี่น้องไปเจอขอมาบนะถ้าเกิดเจอซากอาจจะกบแบนบางหลายท่านอาจจะเคยเจอหรือว่าซากศพสุนัขลอยน้ํามาเห็นใครก็น่ารังเกียจนี่ยิ่งเป็นซากศพของสัตว์ที่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนแล้วถือว่าเป็นน้าสิ่งที่น่ารังเกียจสุดๆแปลว่าท่านอับดุลเบียร์มุสลิมบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นที่เขาแยกย้ายกันไปเนี่ยแยกย้ายกันไปในสภาพของสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าสัตว์เดรัชาน แรงไหมล่ะพี่น้องแรงนะครับแรงแต่อีกความที่บอกว่าแรงเนี่ยเมื่อถึงเวลาโลกหน้าพวกเรานี่แหละจะต้องเสียใจด้วยวกากนอะลาฮุมฮัสรอในบริขอยมัลบวูละวุฒนบีมัสลออุสลามบอกว่าซึ่งพวกเขาหนาะขาดทุนสุดๆแล้วเพราะอะไรครับเพราะการที่เราได้มาเข้ากลุ่มเวลาที่เราเจอใครก็ตามมันมีแต่บารักะมันมีแต่โอกาสพี่น้องอยู่คนเดียวพี่น้องไม่มีสิทธิ์ให้สลามใครถูกไหมครับแต่พอเจอคนปุ๊บ อัสสลามุอะลัยกุมวาระมุสุลลาะวะบาริกาตุได้ความดีแล้วส0ิความดีอยู่คนเดียวพี่น้องไม่มีทางทำอย่างนี้ได้แต่พออยู่กับคนอื่นปุ๊บได้ให้สลามเขาสลามแบบจริงใจด้อยให้กับเขาขออะไรให้กับใครพี่น้องจะได้รับสิ่งนั้นด้วยแต่ามาแต่ดีนุกตู ด, ดานหยิบยื่นสิ่งใดให้กับใครเราจะได้สิ่งนั้นหลังจากนั้นถ้าเกิดเราเจอคนอื่นเราได้นซีฮัตเขาด้วย เ, เป็นไงบ้างในช่วงนี้ ละหมาดเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อากาศร้อนหน่ยนะอดทนหน่อยนะนอกจากนัซีฮาได้เป็นการตักเตือนได้เป็นการให้กําลังใจได้เป็นการปลอบประโลมเราเจอหน้าเขาเรายิ้มให้กับเขาได้ส ร, าร้างคอผลบุญสร้างคอแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทีลักการที่คนมุสลิมคนหนึ่งมาเจอกับใครก็ตามแต่จะเป็นมุสลิมจะไม่ใช่มุสลิมแล้วมีโอกาสได้คุยกันมันมีแต่โอกาสที่จะได้ความดีงามมากมายเกินจินตนาการแต่หลายครั้งพวกเรามองข้าม พอเจอกันปุ๊บเฮ้ยวันเป็นยงไงบ้างอ้ดาราคนนั้นเป็นยไงบ้างโอ้ได้ขามันเลิกกันไปแล้วเนี่ยโอ้ในบ้านนั้นเป็นยงไงบ้างบ้านนูเป็นยงไงบ้างเนี่ยไปดูไอ้คนจังหวัดนั้นไปดูคนประเทศเนี่ยไปดูเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าเราจะพูดคุยกันแล้วก็ยิ่งคุยกันได้นานยิ่งก็เกิดมาเป็นสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่ดียิ่งคุยกันได้ยาวเลยจะเป็นหนังจะเป็นเพลงจะเป็นการ์ตูนจะเป็นดาราที่ชอบจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในหัวของเราซึ่งเเเรราาาาพพพดดดดโอออออกกกสีีๆไไไไปะะมม่่่่่ใชบววูืงน้้ เรืดุนยามุซิมพูดได้ครัจะพูดเรื่องธุรกิจอาจจะพูดเรื่องอคนที่ว่าเราไม่ใช่เป็นอินทาไปใส่ร้ายเขาคือเอามาพูดได้พูดเรื่องงานอัดิเลกพูดถึงการละเล่นอะไรที่มันไฮรานไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องใช้โอกาสทองที่เราได้เจอใครอีกคนหนึ่งซึ่งเราสามารถเพิ่มผลบุญให้กับทั้งเราแล้วกับทั้งเขาทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะนั้นถ้าพลาดก็คือพลาดไปเลยพลาดแล้วพลาดเลยโลกหน้า ได้แต่ต้องมานั่งเสียใจซึ่งในะอุซบิลลาฮิมิลาอิกลุมคอยด้วยอาจาเพราะเราว่าอย่าให้พวกเราต้องตกอยู่ในกลุ่มชนที่ว่าต้องไปตามฮะดิษสั น, นาบีมุสลิมสลัมคือมีโอกาสได้เจอกันและกันแต่ว่าพลาดที่จะได้โอกาสที่จะได้ผลบุญที่ดีงามแล้วก็ออกไปในสภาพของศพของลาที่มีแต่ความขาดทุนในะอุซบิลลาฮิมิลาอิกลุพี่น้องที่รักยิ่งครับพี่น้องเคยสังเกตไหมเวลาที่เราเข้ากลุ่มเวลาที่เราเข้ากลุ่มเวลาพูด มันย่อมจะมีเรื่องไร้สาระเยอะๆใช่ัหมครับพี่น้องสังเกตไหมว่าเมื่อไรก็ตามที่คู่สนทนาเราหรือว่าตัวเราลดเสียงลงปกติมันหมายถึงอะไรปกติมหมายถึงอะไรสมมติเรากำลังเื่งคุยกันอยู่เฮ้ยเป็นไงม้างนายสบายดีไหมนี่หรืออยู่เขาบอกเฮ้ยรู้ไหมรู้ไหมถ้าอยู่มีการปรับโทนเสียงปกติมันหมายถึงอะไรถ้านั่งคุยกันเป็นกลุ่ม เพราเราเขาว่าในกุรานครับว่าและ خيرا في ร ث ي ر م من نجواهم إلا من أمر بصدقين أو معروفين أو า ص ل ا ح بين ا ل ن า س وما يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نأتيه أجرا عظيما نسرني سأيات ที่หนึร้อย 9, สิบสี่พระองค์ سبحانه ตรตสได้เตือนพวกเราทุกคนครับว่าเวลาที่พูดกันแบบอยู่ๆคุยกันแล้วลดเสียงเบาๆเนี่ยไม่มีทางเป็นเรื่องดีเด็ดขาด ไม่มีทางเป็นเรื่องดีมันต้องเป็นการนินทามันต้องเป็นการใส่ร้ายมันต้องเป็นการโกหกมันต้องเป็นการสร้างความเสียหายบานผืนแผ่นดินพี่น้องไปสังเกตเลยถ้ามีการคุยกันแล้วอยู่ๆลดเสียงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายเราครับเจอบ่อยครับเวลาเข้ากลุ่มปุ๊บเวลาคุยกันปุ๊บเฮ้ยดูดูดูผู้หญิงคนนั้นมาผู้หญิงสวยๆปรับโทนเสียงเวลาที่จะเปลี่ยนเรื่องและส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับ อันนี้พุทธลอสสุบฮานตะลากาวในกุรอานเลยว่าไม่มีดีเลยเวลาที่แบบลดเสียงคุยกันแล้วอยู่ก็ลดเสียงมากระซิบกระซาดกันนอกจากในสมกรณีเท่านั้นอันนี้ที่พุทธลอสสุบฮานในหุ่นอวตารา์กล่าวไว้ว่าเวลาอยู่ๆคุยกันอ่ะแล้วอยู่ๆก็ชวนลดเสียงกันเนี่ยมันไม่ไม่มีทางมีดีนอกจากคนสามประเภทนี้เท่านั้นที่ว่าการลดเสียงของเขานั้นมีเหตุผลเพื่อทําให้อารลรักแล้วเขาจะไม่เสียใจทีหลัง เคสไหบ้างครับอิน Am เลมันอามารบิซอดากตินผัวราอบอกนอกจากคนที่ว่าเขาลดเสียงเน่เพื่อชวนกันทำความดีให้มีการบริจาคทำไมต้องลดเสียงเพราะกลัวว่าถ้าพูดเสียงดังไปมันจะเป็นการโอ้อวดเพราะเขาระวังเจตนาเขาไม่อยากให้เจตนาเขาเสียไม่อยากให้เจตนาของเพื่อนเขาเสียเขาก็อาจจะบอกเฮ้ย hey, พี่น้องเคยไม่บางทีในมสัสยิดบางทีมีคนเดือดร้อน เราอาจจะลมาดเสร็จแล้วบางทีเราก็คุยกันปะปะเราไปคนนั้นเขาบอกขอความช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเขาเราจะลดเสียงเดือดรูปธรรมะเพราะอะไรครับในลึกๆในใจของพี่น้องมุสลิมเราหลายๆคนเราไม่อยากจะโอ้อวดเราอยากจะรู้ว่านี่คือการทําความดีแล้วเราก็ถนอมน้ําใจของคนที่จะไปเราจะไปบริจาคให้ความช่วยเหลือเขาด้วยเพราะถ้าพูดดงังๆไปมันก็เหมือนกับเป็นการกระทบกระทั่งหลายๆคนเขาก็ไม่รู้สึกดีที่ว่าต้องมาขอทานต้องมาขอความช่วยเหลือ พี่นอเราบอกรูปแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพอจะชวนกันบริจาคเนี่ยชวนกันบริจาคแบบเสียงเบาๆไม่ต้องให้ใครรับรู้ป้าเราไปกันเถอะมันแสดงถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ให้โอกาสอีกฝ่ายในการปฏิเสธอย่างแท้จริงพอถ้เกิดเราพูดอย่างๆบางทีอีกฝ่ายปฏิเสธไม่ได้ไงบางทีเราบอกเฮ้ยป้าไปนู่นเนี่ยเขาเดือดร้อนเราไปไปบริจาคสิบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาตกกระได้นนพลอยโจรึ้นเหนียดเขายังไม่มาครับพี่น้อง คือเขายังไม่ทันคิดว่าทำอยากให้อัลลอฮ์รักแต่มันเหมือนกับว่าทุกคนรับรู้หมดแล้วคือถ้าไม่บริจาคนี่คืออายเลยตกเป็นเป้าสายตาก็เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อบริจาค ก, ก็ได้บางทีมันก็เป็นการไปทำลายทั้งความรู้สึกของคนที่จะให้แล้วก็คนที่จะรับมุสลิมเราต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องความคิดต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องความคิดอินละมันอามาราบิษรกตินเอามารูฟินหรือสั่งใช้ให้ทาดีๆกัน หลายครั้งเวลาเจอครับบางทีเด็กวัยรุ่นเวลาคุยเวลากําลังอยู่ในมันสยิดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามบางทีเขาอาจจะกําลังคุยกันปกติแล้วอยู่ก็บอกว่าป้าเห็นตรงนู้นเขากำลังทําอะไรกันอยู่เราไปช่วยกันไหมป้าเราไปช่วยกันเลยบางทีก็คุยกันแล้วก็ชวนกันไปแบบว่าจะได้ไม่ต้องกระท บ, บวงกว้างเพราะเราบอกนี่คือเคสที่สองที่ว่าถ้าพูดเบาๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีพูดแรงก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องระวังเจตนาหน่อย ระวางังจิตนาน่ไม่ใช่ว่าห้ามพูดดังไม่ใช่ว่าห้ามชวนกันไปบริจาคแบบดังๆไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ว่าห้ามชวนกันไปทําความดีแบบดังๆทําได้เพียงแต่พวกเราบอกว่าเวลาที่คนกระซิบกระซาบเนี่ยสเคสนี้เท่านั้นที่ว่ากระซิบกระซาบแล้วดีอันแรกกระซิบกระซาบให้ไปบริจาคอันที่สองกระซิบกระซาบให้ไปทําความดีพี่น้องอาจจะสังเกตว่ามันต่างกันยังไงมันเหมือนกันไม่ใช่หรือบริจาค ก, ก็คือการทําความดีทําไมมันต้องแยกออกมาด้วย เพราะความประเสริฐของการบริจาคนั้นโดดเด่นอย่างที่พวกเราทราบกันเพราะความดีงามมีมากมายแต่การบริจาคนั้นอย่างน้อยที่สุดมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ดับความโกรธเกี้ยวของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเกิดเราห่วงว่าเราทำไม่ได้ลลอฮโกรธบ้างเราไม่รู้ที่ผ่านมาเราละหมาดดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่มีสมาชีเราทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากมายหนึ่งในสิ่งที่จะดับความโกรธเกี้ยวของอัลลอฮ์คือการบริจาค บริจาคให้กับคนขัดสนบริจาคให้กับคนยากจนซึ่งในสุราน้นี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อในสุราอัลบรลต์นชารับล่ะสามเคสใช่ไหมที่ผู้รับบอกว่ากระซิบคุยกันเนี่ยได้ผลบุญสั่งใช้ให้บริจาคสั่งใช้ในเรื่องของความดีเอาอิสล่าฮินเบย์เนนสอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องปัจจุบันต้องการมากๆพี่น้องการที่พูดคุยกันเพื่อให้คนเขาคืนดีกันเพื่อให้คน รักกันเพื่อคนปองดองกันสมมติเราจจะเป็นคนแกง เ, เราเห็นว่าเพื่อน2คนเนี่ยทะเลาะ ก, กันอยู่แล้วก็มองหน้ากันไม่ติดคุยกันไม่ติดแล้วก็ไปหาอีกฝ่ายนึงก็บอกใ hey, ห้ยนายอีกคนนึงเนี่ยเราไปพูดมามันก็เสียใจอยู่นะมันก็รู้สึกไม่ดีแต่มันเข้าหน้านายไม่ถูกนายช่วยลดความโกรธลดที่ตีให้หน่อยยกพูดให้มันเถอะ แล้วเราก็อาจจะไปคุยกับปิกไฟน์หนึ่งก็ไปคุยเพื่อให้คนคืนดีกันหรือบางทีคู่สามีภรรยาพี่น้องสําคัญเลยเพราะว่าเวลาที่คู่สามีภรรยาทะเลาะ ก, กันคนนอกเนี่ยตัวดีเลยโดยเพราะคนนอกแล้วเขาไปบอกแล้วเนี่ยเี่ยมันไม่ดีหรอกเนี่ยฉันบอกแล้วว่าสามีนอกใจแน่แน่หรือบอกแล้วว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยไป็นเจ้าทำไมเป็นคนนอกเนี่ยตัวดีโดยเฉพาะถ้าเกิดพูดเสียงเบาๆนี่คือฮาลักเลยไฮยนะเลย แต่พะว่าบอกว่าถ้าพูดเพื่อคนคืนดีกันเขาเน่เธอสามีเธออาจจะขี้เกียจอาจจะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดียังนี้แต่เขาก็มีข้อดีนะเขาก็ไม่สูบบุหรี่เขาก็ไม่เรีนการพนันนะอย่างน้อยเขาก็เป็นเด็ก เ, เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไปคุยเพื่อให้คนสองคนนั้นได้มาปองดองได้มาคืนดดีได้มารักใคร่กันคนที่ควรจะรักก็ควรจะรักกันไม่ควรไปยุ่ยหย่ให้เกลียดกัน โดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเรื่องของอามานะมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะาคําพูดที่ไม่ดีของเราคําพูดที่เราไม่ทันได้คิดไปสร้างความร้าวฉานในครอบครัวของคนอืน่นท่านนบีมุ ส, สลิมฮะเลสลามบอกว่าไงครับถ้าพูดดีไม่ได้ก็เงียบเสียถ้าคําพูดที่เราพูดมีแต่จะทําให้แย่แล้วก็ไปนั่งเฉยๆอย่างน้อยก็ให้เขาได้ระบายอารมณ์ก็อย่างดีก็เป็นรูปแบบของอิสลามประเภทหนึ่งการทําให้คนปองดองกัน เพราะหลายครั้งครับเธอพี่น้องสังเกตบางทีคู่ที่เขาทะเลาะบางทีเขาแค่อยากจะได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจที่ขาัดอั้นมาบางทีเราไม่ต้องทําอะไรเลยขอไปนั่งเฉยๆเนี่ยคอยพังงหัวให้ตรงกับจังหวะคอยให้กําลังใจเขาเนี่ยให้เขาได้พูดให้เขาระบายให้เขาอะไรแล้วก็บอกสุภานรลนะอดทนไว้นะเอาล้อเมตตานะออกมาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้แหละก็ให้อภัยกันไปนะเมตตากันไปแค่นี้ก็เป็นอิสล่าไบ น, า น, นาัณนัส มีแค่3มเคสเท่านั้นครับพี่น้องที่รักเมื่อไหรก็ตามที่มีการพูดคุยกันแล้วชวนกันลดเสียงเพราะว่ากล่า ว, วว่ามีแค่3มเคสนี้เท่านั้นที่ว่าเป็นสามเคสที่ดีเพราะฉนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะพิ่ถ้าพี่น้องคุยกันแล้วอยู่ๆจะลดเสียงนะคิดให้ดีว่าลดเพราะอะไรลดเพราะจะนินทาใครลดเพราะจะทําร้ายใครลดเพราะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อะไรหรือเปล่าหรือว่าเราลดเสียงเพราะอยู่ใน3กรณีนี้อยากส่งเสริมให้เขาบริจาค อยากให้เขาทําสิ่งที่ดีหรือว่าอยากให้เกิดการปองดองเกิดการคืนดีขึ้นมีแค่สามเคสครับที่ว่าขอฝากพี่น้องที่รักทุกท่านเอาไว้ครับผม อ, อผมคุยมาถึงตอนนี้ยังยังไม่ได้ทักทายกับพี่น้องที่รักนะครับก็ขอทักทายหน่อยนะครับผม อ, อคุณตูบานะครับวันนี้ข้อความไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งโผล่มาตอนนี้นะครับผมคุณตูบาสละมเต็มเ ต, ม, เตมม า, า, า, ลจจ า, ลาแล้วก็บอกบารักุลลอฮฺพี่คุมก็จะซากรุมุลลาคาะแล้วก็ไว้คุณสละม์บารักุลอกลอฮฺบาร ก, กาตุคุณดำรงปียะ ตะกูลก็ชูนื้โป้งมาให้นะครับก็จะจากนะขันเช่นเดียวกับคุณซาลามะนะครับสลามเต็มๆมาไหว้คุณสลามอัลลอฮุรราะกตุแล้วก็คุณยาสายหรือเปล่าครับสลามกุ่มจักจนะารับชมไหว้คุณสลามอุลลอฮุร์ราะกตุยินดีต้อนรับพี่น้องที่รักครับผมเช่นเดียวกันกับพี่ซลมาอ่าเด็กหน้าห้องนะครับก็ยังคงครองตำแหน่งหน้าห้องไว้นะครับก็สลามก็ไหวคุณสลามอัลลอฮุราะบกาตุบอกว่าหมวกงามอันนี้คือแซวหรือเปล่าครับ มีปัญหากยกับโปรแกรมมันก็ได้ดูเงาจริงๆมันไม่เงานะครับไม่มีไม่มีไฟอะไรอย่างนี้นะครับพี่วันนี้อ่าสลามเต็มๆนะครับภาพเสียงชัดเจนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับาริกุมสลามุลตลลอฮบรากาตุลก็อัลฮัมดุลิลลา์ครับผมบางรู้ ม, มานะครับเข้าอยู่ในการเรียนแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์บารกัลลอฟีกุมคุณซาได้ยันทูนครับสลามเต็มๆเช่น เ, เ, เดียวกันนะครับผมเต็มมากๆเลยไม่รู้มีความเพียนพยานดีแท้นะครับผมพิม์อ่านภาษาไทยด้วยนะครับาริกุลสลามุล ทัดระเบียบครับบอกภาพเสียงชัดเจนพร้อมในรู้อัลธรรมในแล้วจากสรารยาแล้วก็คุณดาดาฟรีดานะครับสละมากวาามาม็วารีคุณสลามวาระตุลลอฮฺวาา่าบารักาตู่กับพี่น้องท่านใดถ้าผมไม่ได้ทักก็ออขอมาฟด้วยนะครับคุณสุนิตาสละมาก็วารีคุณสลามแล้วก็คุณมาริยานะครับบอกจากพังงาชัดเจนกวาาลล็วารีคุณสลามวาระตุลลอฮฺว่าบารักาตู่ครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทักก็เราเข้าใจกันนะครับว่าข้อความไม่ขึ้นนะข้อความไม่ขึ้นผมก็เลยไม่สามารถ พี่น้องได้พี่น้องกลับมาคุยกันต่อครับผมทีนี้บางครั้งอ่ะครับบางครั้งเราลืมล่ะอย่างบางที่เราลืมคือในยักกราดในโซนิซาผมคงไม่สามารถอธิบายได้เม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวกว่านี้นะครับผมแต่ประเด็นในช่วงสุดท้ายที่พลอว์บอกก็คือนอกจากสามเคสนี้แล้วพละว์ก็บอกว่าใครก็ตามที่ทำสามอย่างนี้โดยหวังความปรารถนาะ มีความปรารถนาว่าหวังความโปรดปานจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ผลบุญมหาศาลอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าอาจารย์บ้านเรามักจะย้ำกันเป็นประจำแล้วผมก็ต้องขอย้ำเป็นประจำนะครับผมว่าการทําความดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตั้งใจว่าที่เราทํามันนั้นอยากให้อัลลอฮ์รักอย่างในเคสนี้พวกรบอกว่าไงครับ ไม่มีดีเลยในการพูดกระซิบกระซาบนอกจาก3กรณีนะนอกจากสั่งใช้บริจาคนอกจากให้คนออนอกจากให้คนอื่นนะทำความดีแล้วเราก็ทําความดีด้วยหรือว่านอกจากจะให้คนคืนดีกัน3อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่จะได้ผลบุญก็ต่อเมื่อทํามันไปเพราะอยากให้อัลลอฮ์รักเราย้านะพี่น้องหลายครั้งเจตนาเราไปไม่ถึงเจตนาเราเห็นแค่ว่าเออเขาเขามีปัญหาเราไปช่วยเขาเราไปเตือนเขา เราไปทำให้เขาคืนดีกันบางทีเราคิดแค่นี้จบแค่นี้ผลบุญจบแค่ดุญญนยาแลพี่น้องผลบุญจบแค่ดุญญนยาแล้พี่น้องเพราะว่าจะศาสนาไหนคนดีๆแบบนี้ก็มีเยอะอยากให้คนคืนดีอยากให้คนปรินเปรนอมกันซึ่งเรารตอบแทนแน่นอนในดุนยาแต่ถ้าพี่น้องอยากข้ามช็อตไปถึงอาเครออยากให้มันอยู่ในตราช่างความดีของเราในโลกหน้าอย่าลืมวัตถุความดีที่ทํา ต้องโยงไปด้วยว่าแรงผักดันที่เราทําอยากให้อลลอรักที่เราส่งเสริมเขาให้จ่ายซาร์กให้จ่ายบริจาคนยะพอเราอยากให้อลลอรักเราแล้วก็รักเขาที่เราพูดกับเขากระซิบกับเขาไปชวนไปทําความดีเพราะเราอยากให้อลลอรักพวกเราแล้วการที่เราให้พยายามให้คนมาคืนดีกันก็เพราะเราอยากให้อลลอรักเราอย่าลืมพี่น้องเรื่องเจตนาสําคัญเวลาทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดี จะเป็นผลบุญในโลกหน้าก็ต่อเมื่อต้องพ่วงด้ยวยว่าอยากให้อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์พอใจวะมัยยัฟอัลดาลิกาใครถามว่าหลักฐานมาจากไหนนี่เลยช่วงนี้เลยอายาที่14ึ่งร้อยสิบสี่สาุาไมัยัฟอัลดาลิกะอิบตรกะอมารอตินละใครก็ตามที่ทําที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยโดยที่เขาแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์ความพอใจที่มีมากมายมาร ด, ดความพอใจต่างๆของอัลลอฮ์เฟซาวฟานุตีฮิอัจรันอัลดีมา ในยุคุรานพูดแล้วบอกว่าเราก็จะไม่ได้ให้ความพวกเราไม่ได้บอกว่าเราใช้ความพอใจแก่เขาแต่พวกเราใช้คําว่าเราจะให้ผลบุญการตอบแทนที่มหาศารแก่เขาข้ามช็อตไปเลยคือความเมตตาได้แน่นอนความรักได้แน่นอนได้ผลบุญมหาสารได้การตอบแทนมหาศารซึ่งเป็นอะไรเป็นไม่ได้แน่นอนนอกจากสวรรค์ด้วยความเมตตาของพระลอสสุบาณหูวัวตาละทีนี้ครับ หลายครั้งเราไปพูดคุยบางทีเราลืมบางทีเราชวนบางทีวัยรุ่นชวนคุยเรื่องการ์ตูนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เขาชอบเลประมาณเนี่ยหรือว่าคุยสับเพลเหรบางทีพึ่งมารู้สึกตัวว่าที่ฉันพูดมาไม่มีอะไรมันเป็นสาระเลยนี่ก็อย่าลืมว่าขอไปทุอลอรรถเยอะๆสับหลุนลอสับหลุนลแล้วอย่างน้อยที่สุดก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพี่น้องเรามักจะเคยได้ยินดูอาที่เรียกว่าดูอาปิดประชุม การเรียกว่าด ua ปิดประชุมเป็นการใช้คําที่ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนด u าบทนี้ไม่ใช่ดอาปิดประชุมแต่เป็นดอาเมื่อเสร็จจากการพูดคุยกันพี่น้องคุ้เคยกันดีใช่ไหมครับ Subhanallahalma'awhidika ashadulailailanta asakkulika watulilai เราหลายหลายท่านบางท่านอาจจะเรียกเป็นดอาปิดประชุมเราก็เลยเข้าใจว่ามันต้องเป็นเรื่องเป็นการเป็นงานเป็นอะไรสักอย่างไม่ใช่ครับเป็นการพูดคุยนั่นแหละ พี่น้องอาจจะพูดคุยกับใครทางไลน์ทางเฟซทางอะไรก็ตามแต่แล้วคุยเสร็จแล้วก็เนี่ยคุยเสร็จแล้วดวูอาบทนี้ใช้เพื่ออะไรครับนักวิชาการเรียกว่าเป็นกาแฟรออัลคาเลมฟิลมาจอิสถือว่าเป็นค่าไทถอนถือเป็นค่าชดเชยคำพูดไร้สาระที่เราพูดคุยไปที่ผ่านมานี่คือความเมตตาของพระเจ นี่คือความงดงามของอิสลามเมื่อเรารู้แล้วว่าการที่เราพูดคุยกันบางครั้งเราพลาดโอกาสดีงามหลายอย่างอย่างน้อยก็คือครตอมูฮัมิสก็คือขอให้ลงท้ายให้ปิดท้ายด้วยกับสิ่งที่งดงามสิ่งที่หอมหวานอินเนมัลอามะลูบิลควาตีมการงานทั้งหมดนั้นวัดกันที่ตอนจบเริ่มมาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดำเนินผ่านมาคือเละตุมเปะเลยบางทีคุยกันเละตุมเปะเลยแต่มาคิดได้ตอนที่กาลังจะเลิกลากันไป ท่นานอบดุลสละได้พูดไว้ในทึกของอิมัมเต็ดมีดีครับสึ่งเปนที่ซาวเฮชเช่นเดียวกันแล้วก็จากอิมัมอามัดด้วยนะครับจากท่านอับบูฮุเรลรอซาบะติริยาฮิสซินีท่านอบูฮุเรลรอราอัลลอฮ์อนุฮกาลกาลรฮฺฮม์มะนานัฟีมาจดิสินฟาคั فقال قبل يقوم من مجلس ذلك سبحانه اللهم وبحمدك أشهد ن لا إله إلا أنت أستغفرك و ت و ب إلي إ ل غفر له ما كان في مجلسه ذلك ชคั้นันยว่าฮิเป็นทีสัยเความหมายว่าไงครับท่านอับุลเยสสุล่าบอกว่าใครก็ตามที่นั่งพูดคุยในวาระใดก็ตามวาระใดก็ตามไม่ใช่ประชุมอย่างเดียวแล้วนะในวาระใดก็ตามพูดคุยกันสองคน3มคนเป็นกลุ่มยังไงก็ตาม พูดคุยวารอะไรก็ตามแล้วเขาพูดไร้สาระเยอะในริสปุ่นี้ธารีใช้คําตรงตัวเลยเขาพูดแล้วว่าตัวความพูดไร้สาระของเขานะ่ยมันเยอะเลยเกินแต่เขาวา จ, จะพูดไร้สาระในตอนที่คุยกันเยอะอาจจะเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่รู้ละแต่เขาได้พูดก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก่อนที่เขาจะแยกย้ายจากกลุ่มของเขานั้นนะ่ะเขาได้พูด ขอดว้วยจากอัลลอฮ์นี่คือการขอดว้วยจากอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมนะเวลาขอเนี่ยใจต้องขอจริงๆนะไม่ใช่แค่พูดแบบเป็นเป็นคำสวดเป็นบทสวดมนต์เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าพูดไปมันจะจบไม่ใช่ความหมายทุกคําที่พูดพี่น้องต้องเข้าใจแล้วก็ต้องอยากได้มันจริงๆอันนี้เรียกว่าดุอาท่านอับดุลเบียร์มุสลิมส์ลาบุลัสระ บ, บุว่าใครก็ตามที่เขาเสร็จสิ้นจากวงพูดคุยที่เขาพูดคุยเรื่องไร้สาระเนี่ย แล้วเขาพูดว่าซุบฮานะก็ลอหุมม่ขอเสรีแต่ Allah มหาบิสุดแต่พระองค์วะบิฮัมดีก่ขอสรรเสริญพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ซุบฮานะคือเสรีแล้วให้ความยิ่งใหญ่ให้ความเกรงใจต่อล l l a h อัลฮัมดีลาคือเราขอขอบคุณ Allah ซุบฮานะก็ลอหุ่มแม่วะบิฮัมดีแก่ أ ش ه ล و Alla إله إله أنت ฉันขอยืนยันนะยะ Allah จนถึงตอนนี้ฉันก็ยันยินยันอยู่และฉันขอเป็นพยานเลยบนหน้าผืนแผ่นดินนี้ว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ไม่มีเลยนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้เดียวเท่านั้นที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอัชาดุอัลลาอิลาฟะอิลลาอันตตอสตอฟิรุกะวะตูบุอิยัย ฉันขอไปโทษกับพระองค์นะฉันขอกับเนื้อกับตัวสู่พระองค์ฉันพูดไรสาระเยอะฉันพูดอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องเยอะยกโทษให้ฉันด้วยฉันผิดไปแล้วนี่เป็นดูอาที่มันต้องขอจากใจนะพี่น้องย้ำนะว่าขอจากใจมันไม่ใช่เป็นบทสวดหลายครั้งคือบ้านเราก็ต้องพูดตรงๆมืออไรเราก็ต้องพูดกันตรงๆครับหลายครั้งที่ว่าดูอาเราอ่านเหมือนเป็นบทสวดบทสวดแปลว่าอะไรอ่านให้มันจุดจบรือว่าต้องขึ้นอย่างนี้จบแบบนี้แค่นั้นจบ ทั้งๆ ท, ที่ว่าดูอาแปลว่าการขอพี่น้องจินตนาการออกไม่คนที่ขอโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันขออะไรอยู่มันมันเป็นยังไงนะครับเห mm hmm. มือนกับเราเด็ดร้อนเลยสักอย่างแล้วเราก็บอกอ๋อต้องท่องแพทเทิร์นนี้นะอา่าอยาังอ ย, ย, ย, ย, ยอะไรสักอย่างที่มันอะไรก็ไม่รู้ที่เราฝังไม่รู้เรื่องเนี่ยใจพี่น้องอินด้วยหรือเปล่าละ่ะไม่อินหรอกจะเป็นใครก็ไม่อินแต่ถ้าเกิดเราขอแบบช้าๆแตะร่รู้ยาวล่ะขอสัลีต่อพระองค์พร์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธ ขอขอบคุณพระองค์ฉันขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากพระองค์ฉันขอไปโทษต่อพระองค์ฉันขอกลับตัวสู่พระองค์อย่างนี้พี่น้องเข้าใจไหมอินไหมมันรู้สึกว่ามีความหมายขึ้นไหมมันมีความหมายขึ้นเพราะฉะนั้นก็พี่น้องครับก็สิ่งที่ฝากเป็นการบ้านพี่น้องทุกท่านไปด้วยนะครับก็คือว่าดุอาต่างๆที่เราใช้เนี่ยพี่น้องพยายามหรือรู้ความหมายถึงตอนนี้มันยังไม่ได้หมดก็อย่างไรก็รู้คร่าวๆ คร่าวๆก็อย่างนี้อย่างเช่นดูอาก่อนนอนดูอาตื่นนอนดูอาเข้าห้องน้ำดูอาออกห้องน้ําดูอาอะไรที่มันหลักๆที่ว่าเราใช้เป็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วดูอาส่องกระจกอย่างเงี้ยบางคนส่องกระจกดูแต่ว่าฉันสวยไม่ฉันหล่อไม่ตีนกาฉันขึ้นเนี่ยฉันงอกเนี่ยฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ขอบคุณล้อหรือยังเวลาดูกระจกพี่น้องเวลาที่มุสลิมเราดูกระจกเป็นช่วงที่เราต้องขอบคุณพ่อล้อมากที่สุดเพราะเราเห็นรูปรักษที่เอาล้อสร้างมา พี่น้องที่รักถึงพี่น้องจะมองวาตัวเองอ้วนอ้วนแบบผมหรือว่าจะผอมหรือจะดำหรือจะขาวหรือจะอะไรก็ตามพี่น้องเทียบมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่เราสร้างไม่มีสิ่งมีชีวิตตึกแล้วที่พะกเราจะสร้างอย่างประณีตแล้วก็นุ่งามเท่ากับมนุษย์แล้วก็เดีคอยักกันอินชาอัลอฮฺอัะนิตักวิมเพราะเราบอกใหครับเราได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในรูปแบบที่งดงามที่สุดแล้วร่างกายงดงามแล้ว พี่น้องไปถามคนรุ่นนะรุ่นป้าหรือว่าใครก็ตามที่อายุเยอะๆลุงปู่ถามผมก็ได้หลายครั้งเวลาตอนเราวัยรุ่นนะ่ะนะบางทีเราดูหน้าตัวเองเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูแย่ทําไมฉันเป็นอย่างนี้ท ำ, ท, ำทำไมฉันไม่น่าอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าผ่านไปสักสิปีถ้าเรากลับมาดูรูปตัวเองบางทีเราจะคิดว่าเอ้เราก็ไม่ได้ดูเวลวร้ายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะตอนนี้มันมีอะไรแย่กว่านั้นแล้วไงมันเกิดการเปรียบเทียบเพราะนั้นพี่น้อง เวลาดูกระจกขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนก่อนที่จะบน่นก่อนที่ปากมันจะพูดอะไรที่ไม่ดีออกมาที่เป็นการด่าว่าอัลลอฮ์บางทีถึงกันด่าว่าอ Al ัลฮ um ah ัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมักะมาฮ์สซินตะฮัลกีฟะฮัสซินคุลกียาอัลลอฮ์มือนกับที่อัลลอฮ์ให้รูปลักษณ์ฉันมาสวยงามถึงในใจฉันส่วนหนึ่งมันจะไม่ยอมรับว่าสวยงามแต่ว่านี่มันสวยงามจริงพวลเราเหมือนกับที่พวกเราสร้างรูปลักษณ์ฉันมาอย่างสวยงามเนี่ยโปรดให้ฉันมีนิสัยที่งดงามด้วย โปรดให้ฉันมีตัวตนที่งดงามด้วยมุสลิมเราไม่มีโอกาสไหนที่เราจะพลาดจากสิ่งดีๆพี่น้องเวลาเราทําธุรกิจบางท่านอาจจะบอกว่าฉันพลาดโอกาสนี้ไปฉันพลาดช่วงนี้ไปช่วงนี้ช่วงน้ําขึ้นทําไมฉันไม่ไม่ได้ขายของหรือว่าช่วงนี้นะ่ยของกําลังลงทําไมฉันไม่ได้มันมาเราจะเสียได้ในหลายๆโอกาสแต่โลกหน้าเราจะเสียด้ยิ่งกว่าที่เราเสียใจอะไรก็ตามในดุนยาโรคหน้ามีแต่เรื่องหน้าเสียดายแล้วมันแก้ไม่ได้แล้ว เรามีโอกาสมากมายเราลืกถืออัลลอฮ์เราเลือกถือร้อยมากดูกระจกขอบคุณอัลลอฮ์จะขึ้นพานะต่อให้เป็นจักรยานต่อให้เป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นพานะอัลฮัมดุลิลละสุบฮานั่ละดีซักครล้นะฮาดะว่ามาคุณ น, นาละหูมุกรีนินว่าอินไอลาอัลลอฮินาละมุกรีบุนขบคุณอัลลอฮที่ให้พานะนี้มา ม, มันไม่ได้ขับเคลืนไปด้วยความสามารถของเราเลยมันไปยังไงก็รู้ร้อยมันไปได้ ถึงเวลาเราต้องกลับไปหาพงษ์อย่างแน่นอนทุกอย่างเป็นโอกาสในทุกการนำลึกในทุกดูอาเอาให้ได้ความหมายแล้วมันจะเป็นประโยชน์เรากลับมาที่ฮาริสบบนี้ครับ เ, เหมือนผมจะแวบๆเห็นคําถามพี่น้องโอเคครับน่าจะพลาดไปคุณอาซียะนะครับบอกกับชัดเจนมากบารก์ารกลอฟิกนะครับเคุณนาวีส่งรูปยิมมาบาร์กลอฟิกคุณคุณยาสายทลทำได้แล้วก็ทำได้แล้วครับผมเอา ในฮะดิสลครับท่านอับดุลเลาะห์สับอกว่าไงนะครับใครก็ตามที่ถะเกิดเรารู้สึกว่าเราเราคุยคุยไม่ดีเยอะแล้วเริ่มมารู้สึกตัวเพอพอเลาะกล่าวในกุรอานว่าคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเวลาที่ใช้ตอนมายุ่งกับเขาบางทีเขาลืมอัลลอฮ์เป็นเรื่องปกติที่เราจะลืมอัลลอฮ์บ้างเป็นเรื่องปกติเพรอเราะกล่าวในกุรอานแต่เมื่อเราคิดถึงอัลลอฮ์เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดอะไรไปบ้างเราพลาดไปแล้วนี่คือนสุสซิมเราจะมีช่วงที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละ พูดคุยอะไรไว้ถึงเวลารู้สึกตัวก็สุบานะกล่าวมะววบิฮัมดีกะอชัชดุลลาอิลาฮิลนตะอัสซักรุกะวะตูบุไรความหมายสีวักอย่างที่บอกไปแล้วพี่น้องออถ้ายังไม่ชว่อก็สามารถกลับไปดูความหมายต่อได้อีกครั้งหนึ่งครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับแก้ความเข้าใจไปแล้วหนึ่งนั่นก็คือว่าดุอาบทนี้ไม่ใช่ดุอา เสร็จการประชุมแต่เป็นอว่าที่แบบว่าเมื่อพูดคุยอะไรยังไงกับใครก็ตามนะแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยดีแล้วก็ขอจบลงท้ายด้วยกับสิ่งนี้บอกว่าเปนชาวล้อเข้าใจชัดเจนขึ้นในประเด็นนี้ประเด็นที่สองครับต่อให้เป็นกลุ่มที่พูดคุยแต่เรื่องที่ดีบางคนบอกฉันพูดเรื่องดีๆทําไมฉันต้องขอต่อมาทําทไมฉันต้องขอไปโทษ ด, ด้วยอย่างบางทีแบบเรียนศาสนาอย่างเงี้ยพูดคุยเรื่องของล้อพูดคุยเรื่องกับคาําสัมภชษณของพระองค์เนี่ย ฉันก็ทําอีบาร์ได้ทำไมต้องขออภัยโทษพี่น้องที่รักครับเรามาดูคําอธิบายจากท่านอับดุลเบี๊ยมุสลิมของอาเลวะซัลลัมครับบันทึกอยู่ในบันทึอิหมัมนาไซนะครับอยู่ในสนนกุบรอนะครับผมแล้วก็ในหนังสืออามะอิเยอมอะไรแล้วซึ่งสามอิหมอมได้รวบรวมเอาไว้ว่าในวันนึงกับคืนหนึ่งมุสลิมเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็เช่นในการยี่ยเพืของเชคอะตบุบร์นีหนึงหนังสืออุอานะครับผมจากท่อย่างอชาอัลลอฮฺอัลฮุอันฮะครับถ้าหญิงได้พูด ให้พวกเราได้รู้ครับว่ า, ม, า لم, มัจลิซัน u l l a h صلى ا ل มัจลิซันวะลาตะลร์อาวะลาซัลลซลาตันอิลลตมะดะลิกะท่านหญิงอิชรยลอฮอันฮาะรยาสุลักของท่านนบีมุสลิมของอัลเลาะหลมที่ท่านนบีบอกว่าเปรียบเทียบท่านหญิงอิชยากับผู้หญิงทั้งหมดที่มีก็เหมือนกับซรีตอาหารที่ท่านนบีมุสลิมชอบมากที่สุด ท, ที่มีเนือ มีความคุณค่ามีความง ด, ง, ดงามดีงามเหนือกว่าอาหารอื่นครับประเด็นของที่หญิงไอชากับบรรดาบรรดาผู้ศรัทธาเราคงจะได้คุยกันในที่อินช่าร์แล้วนะครับผมแต่ตรงเนี้ยฮลิสวินิที่หญิงอชาบอกว่าไงครับท่านนบีมุสลิมไม่เคยนั่งพูดอะไรในกลุ่มใดเลยไม่แม้แต่ว่าจะอ่านอัลกุรอานเสร็จหรือจะละหมาดเสร็จนอกจากนาบีจะต้องปิดท้ายด้วยกับคาพูดเหล่านี้ ไม่ใช่แค่พูดแล้วนะพเพราะเผื่อบางคนอาจจะบอกว่าพอมีคนอ่านดัวปุ๊บไปทำสิ่งไม่ดีมาละสีถึงขออภัยโทษเมื่อกี้หนึ่ทาใครมาละ่ะบางคนมองโลกในแง่ร้ายดัว่าบทนี้ไม่ใช่แค่หลังจากเสร็จสิ้นการพูดเรื่องไรส้สาระหรือเรื่องที่ไม่ดีแม้แต่เป็นการพูดที่เรื่องที่ดีแม้แต่เป็นการอ่านอัลกุรอานแม้แต่เป็นการละหมาดเพราะฉะนั้นถ้เจอใครทำนี้คอยรู้ไว้เขาไม่ได้ทำบิดอา น, นั่คือตัวบทชัดเจนนะตัวบทชัดเจนท่านยิงไอาชาบอกว่าท่านอบี ไม่เคยมีการนั่งคุยตรงไหนเสร็จหรืออ่านอัลกุรอานเสร็จหรือว่าละหมาดเสร็จนอกจากท่านบีจะต้องปิดท้ายสิ่งเหล่านั้นด้วยกับดวัวแบทนี้ซึ่งที่อย่างไอชาก็แปลกใจครับมารดาของผู้ศรัธทธาเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉล า, าดแล้วก็พอสงสัยปุ๊บก็จะถามท่านลบีทันทีนะครับผมที่ อ, าอชาถามครับยารุลอาราะกมาจะจริสมจิเซนลาะตุกุรอานันวลาจะัลลิัลเตันอิลลาเตมตาบิฮาอูลักลิมต เบียชาบอยียร์สุนรอเนี่ยเท่าที่น้องสังเกตดูทุกครั้งเวลาที่ท่านพูดคุยเสร็จหรือท่านอ่านอัลกุรอานเสร็จหรือท่านละหมาดเสร็จท่านมักจะปิดท้ายด้วยกับคาพูดวันี้ทาไมเหรอทาไมเหรอคะท่านบีรสอองไอซับอกว่าไงครับนะอมันกอล่คอยรันคูติมาละหูตบาบ้างอลาแดร์กัล ا إ นว man قال شارنا كنا له كفارة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت السّقّك و ت و ل จะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยฮะดีษบทนี้เชกคอัลบันีว่าเป็นฮะดีษที่สอนี่ยทอับดุลสลามบอกว่าไงครับท่านอบดบอกว่าถูกจ้องแล้วไอชะถูกต้องแล้ ว, ลวดัวบทเนี่ยคำขอเนี่ย ใช้ได้ทั้งตอนที่เราเสร็จสิ้นจากการทำสิ่งที่ดีหรือการทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าอัลลออาจจะไม่พอใจใช้ได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะถ้ามันถูกใช้ปิดท้ายเวลาทำสิ่งที่ดีมันก็เหมือนกับการประทับลงท้ายสิ่งที่ดีด้วยกับสิ่งที่ดีอย่างที่บอกครับพี่น้อง ในอิสลามคําสอนของอิสลามครับมักจะสอนให้มุสลิมเรารู้ไว้ครับว่าเวลาเราทําความดีเนี่ยโดยเฉพาะความทำความดีเสร็จเนี่ยก็มักจะลงท้ายด้วยกับการทําความดีอะไรต่อในช่วงใกล้เสร็จก็ลงท้ายด้วยกับการทําอะไรให้ดีๆเพื่อให้มันลงท้ายด้วยกับสิ่งที่ดีเช่นอะไรเช่นเวลาถือสินอดใช่ไหมครับการทำอิบาระที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดที่ท่านอับดุลเบี๊ย์มุสลิมบอกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนเองโดยที่ไม่รู้ว่าตอบแทนมหาศาลขนาดไหน พอช่วงที่เราถือสินอดเหนื่อยมาทั้งวันเริ่มตั้งแต่ออฟอร์จูนี่มาเรื่อยๆพอใกล้ถึงเวลามากักอิบท่านอับดบีส่งเสริมให้ทําอะไรครับขอดูอากรละสินอดพอดะอาจะถูกตอบรับนี่คือใกล้เสร็จไงใกล้เสร็จจากการละหมาดก็มีแบบอย่างให้ขอดูอาเช่นเดียวกับตอนละหมาดอย่างที่พวกเรารู้ว่าช่วงการขอดัวที่ดีที่สุดตอนละหมาดคือตอนที่เราสูยุดแต่เช่นเดียวกันก่อนให้สลามก็มีการส่งเสริมให้ขอดูอาถูกไหมครับ ขอดี๋ยให้พ้นจากอะไรครับให้พ้นจากฟิตรนักคนเป็นให้พ้นจากฟิตรนักคนตายให้พ้นจากละจานทร์เรดูอาก็ว่ากันไปเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆอย่างเหมือนกับว่าวันจันทร์กับวันพฤหัสท่านอับดุลอบี๊ยงสโตร์สลัมถือสินอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสอย่างที่พวกเราทราบสาเหตุหนึ่งก็คือวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮ์ท่านอบีเกิดท่านอบีก็เลยขอบคอัลลอฮ์ที่ให้ได้เกิดมาก็เลยถือสลบวันจันทร์แล้ววันพฤหัสล่ะ ท่านอบเีให้เหตุผลเขาว่าทั้งวันจันทร์กับวันพารุษหัตเนี่ยการงานจะถูกยกไปหาพระอลลอฮ์พี่น้องที่รักการงานจะมีการทบทวนเอาไปให้พวกอลลอฮ์สุมาฮัตลาเนี่ยมีหลายช่วงอย่างที่พวกเรารู้กันไปจะมีทั้งรายอาทิตย์จะมีทั้งรายปีในคือรายตุนก็ที่ว่าตเนสซาลุนมาลายกัตุตเนซาลุนมาลายกัตุวารูฟีฮับอิสเนรับฮิมมินกุลี่อัมลินสายแมก็จะมีการพูดคุยในทุกๆเรื่องราว เช่นเดียวกันกับในทุกๆวันซึ่งประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือว่าท่านนบีมัสยิดบอกว่าไงครับที่ถือวันจันทร์กับวันพระฤหัสเนี่ยเพราะท่านนบีอยากปิดท้ายการงานของท่านด้วยกับการถือสิ่งอดคือพอถึงเวลาทําคดีมาทุกอย่างใช่ไหมพอเมริกเจ้าความดีเอาการงานทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปในวันจันทร์ก็จะขึ้นไปโดยโลงท้ายว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาทําคือการถือสิ่งอด เช่นเดียวกันเมื่อวันพฤหัสการงานที่เจ้าขึ้นไปบันทึกทั้งหมดที่เจ้าขึ้นไปก็ลงท้ายด้วยกับคำที่ว่าการงานสุดท้ายของเขาคือการถือสินอดคีต้โมฮูมิสในยักกุหาที่พวกเราบอกพวกเราพูดถึงการตอบแทนที่เราให้อย่างงดงามพวกเราบอกว่าปิดท้ายด้วยกับกลิ่นหอมหวนที่ว่ากลิ่นที่งดงาม แปลว่าทัศบีมหัสละลองของอาจารย์บอกว่าใครก็ตามทําสิ่งที่ดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับดวงบทนี้มันก็คือการปิดท้ายสิ่งที่ดีโดยเอาสิ่งที่ดีมาลงท้ายส่วนใครก็ตามที่ทําสิ่งที่ดีแล้วมันจบแล้วก็ถือว่าเอาสิ่งที่ดีมาปิดท้ายสิ่งที่ไม่ดีดีทั้งขึ้นทั้งลงดีทั้งหมดเลยเพราะนั้นพี่น้องที่รักก็เป็นดวงที่ว่าไม่อยากให้พวกเราพลาด แล้วก็ไม่อยากจะให้คิดแค่ว่ามันเป็นแค่ดุอปิดประชุมหรือว่าเป็นวาที่ใช้แค่ตอนที่เราคิดว่าเราพูดเรื่องที่ไร้สาระจะเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่เราสึกไม่สบายใจลงท้ายด้วยกับสิ่งนี้ิชาวล้อขอล้อให้ภัยแล้วก็เมตตาพวกเราครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเวลาค่อนข้างจะคาบเกี่ยวในส่วนที่ว่าอัลลอฮฺอินนันวาลิซานอฺวาชัฟไตน์แล้วก็จบกัน เท่านี้นะครับก็ไม่อยากจะขยายความให้มากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปต่ออายะอื่นกันนะครับผมพี่น้องพี่เลกครับอายะต่อมา w a h d i n นา u n n น s h e e n แล้วเราก็ได้นําทางเขาไปสู่ n a s h ดนเนินทั้ง2ซึ่งในวันนี้เวลาเราเน่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าประเด็นนี้คงต้องให้เวลานานนิดหนึ่งเพราะเฉพาะเนินทั้งสองนะครับก็มีความหมายหลายความหมายแล้วทุกความหมายนั้นสอดคล้องกับ s u r a อ al balad ทั้งสิน้น ความหมายที่ว่าเนชเดนนนะครับเนินทั้งสองเนะี่ยมีอย่างไรที่สุด3าความหมายทั้ง3ความหมายจะกลับไปหาอายักุราศก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยซึ่งเราคงจะได้คุยกันแล้วก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เป็นสาระกับพี่น้องที่รักทุกท่า น, นครับพี่น้องที่รักยิ่งครับผมอยากขอดูอาจากพองรถสุภานุตลานะครับด้วยกับการที่ว่าพวกเราทุกคนนั้นยืนยันเป็นสักขีพยานอย่างหนักแน่นว่าไม่มีพระเจ้าในนอกจากพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว ผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพงค์ผู้ที่ไม่กำเนิดแล้วก็ผู้ที่ไม่ถูกกำเนิดผู้ที่มีความเมตตาให้กับเราเกินขนาดนับแล้วก็ผู้ที่พร้อมให้อภัยโทษเราแล้วก็ให้ทางนำแก่เราตลอดเวลาแล้วผู้ที่สร้างเรามานั้นอย่างงดงามขอดโดยจากพงศ์ครับว่ายาวล้อปโปรดให้อัลกุรอานนี้เป็นแค่ตาดวงใจในหัวใจของพวกเราทุกคนขอให้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาหัวใจของเราเหมือนกับที่พงศ์ล้อได้กล่าวไว้ว่า ในอัลกุรอานนั้นวะลูนซิล ah ุม ah ินัลกุรอานี่มาว่าชิฟะอวาราะห์มาในอัลกุรอานนั้นเพื่เราให้มีเป็นการเยียวยาการรักษาแล้วก็เป็นความเมตตาเพราะฉะนั้นยาลโปดจะได้ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดก็ตามในหมู่ของพวกเราที่ว่าเขามีโรคภัยไข้เจ็บนอกจากด้วยความเมตตาของยาลอเนื่องจากเรามาทําการศึกษาคําพูดของพงค์ยาลอปดให้อัลกุรอานด้วยความเมตตาของพงค์นี้เป็นการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของพวกเราทุกคนแล้วก็ ใครก็ตามในหมู่พวกเราที่ว่าเขายังมีความทุกข์เศร้าในบททดสอบต่างๆที่พระวกมีให้กับเขาก็โปวดให้เขานั้นมีความง่ายดายแล้วก็ผ่านพ้นกับความทุกข์เศร้าแล้วก็บททดสอบความสูญเสียเหล่านั้นไปได้ใครก็ตามที่ว่ามีหนี้สินก็ยอมแล้วก็ปวดช่วยให้เขาปิดหนี้สินของเขาไปได้ ในสภาพที่ว่าเป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็ใครก็ตามที่ว่าเขาแสวงหาความปวดปานจากพู้งก็ยาวล้โปวดให้ความปวดปานแก่เขาสิ่งใดก็ตามที่เราทําไปที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันผิดพลาดทั้งที่เรารู้แล้วก ul> ็เราไม่รู้ก็ยาวล้โปวดยกโทษให้กับเราด้วยโปรดเอาไปโทษให้กับเราด้วยสิ่งใดที่เราไม่รู้โปวดสอนเราด้วยสิ่งใดที่ว่าเรายังไม่เข้าใจโปรดให้เราเข้าใจด้วยสิ่งใดที่ว่าเราหลงลืมไปก็โปวดให้เรานั้นคิดออก แล้วก็โปรดให้เราเห็นด้ว่าสิ่งที่ผิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดให้เรามีความเข้มแข็งพอที่จะออกห่างที่จะทิ้งจากมันไปแล้วก็ขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วขอให้เรามีความสามารถที่จะ เระทำมันได้ขอพวกเราล้อนั้นให้พวกเรามีความรักให้สมัครสมานสามัคคีกันรักกันเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงแล้วก็ถ้าจะเกลียดกันก็ขอให้เกลียดเพื่อพวกล้อสมหาตราอย่างแท้จริงเท่านั้นขอพวกล้อไปโทษให้กับเราเอาไปโทษให้กับสิ่งที่ผ่านมาของเราเอาัยโทษให้กับสิ่งที่พวกเรานั้นทําไปทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าเรานั้นทําไปด้วยความขาดเขาเยาะล้อเมตตาเราด้วยให้ภัยเราด้วยแล้วก็โปวดให้ภัยกับคนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราที่ว่าเขาผ่านเส้นทางเหล่านี้มาก่อนพวกเรา ขอให้ภัยโทษเราเอาภัยโทษพวกเขาแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกันในสวนชัมฟิลด์ดัลสด้วยความเมตตาของพระลอสซูบาน์อหัวตาลด้วยเถิดโอ้พระลอสโปรดให้เรานั้นมีความรักในพระ อ, องค์ขอให้เรานั้นรักพระ อ, องค์ขอให้เรานั้นรักการงานใดก็ตามที่จะทําให้เรานั้นเป็นที่รักของพระ อ, องค์แล้วก็ขอให้เรานั้นรักกลุ่มใดก็ตามที่ว่าพระ อ, องค์นั้นรักเขาแล้วเขานั้นก็รักพระ อ, องค์โอ้พระลอสนั้นเราเมีความผิดบาปมากมายมหาศาลเหลือเกินก็ โปรดให้อภัยโปรดยกเลิกแล้วก็โปรดเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกับที่พวงละล้อได้สัญญาไว้ในคำพีของพง ว, ว่าอุเละแกยูบะยูลอสยาทิมฮัสนัดชนกลุ่ม น, นั่นแหละที่เราจะเปลี่ยนความชั่วร้ายของเขานั้นให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่งดงามอุละล้อโปรดให้หัวใจนั้นเป็นที่ชุ่มชื่นแก่หัวใจของเราโปรดอย่าให้พวกเรานั้นได้หลงลืมอัลกุรอานแล้วก็โปรดให้กุรอานนั้นเป็นให้ชฟาแก่เราในโลกหน้าขอยพวกเรานั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษทั้งในหลุมฝังศพแล้วก็ใน ลูกสุดท้ายได้เถิดยาวล้อแล้วก็ขอพวงนั้นอย่าได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่มันหนักหนาสหัสเกินความสามารถของเรายาวล้อถ้าพวงจะทดสอบเราโปรดให้ความช่วยเหลือเราด้วยแล้วก็โปรดอย่าได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่มันหนักหนักเหมือนกับที่พวงได้ทดสอบคนก่อนหน้าพวกเรามา โปรดเมตตาเราโปรดให้ภัยเราโปรดช่วยเหลือเราโปรดให้เรามีความสามารถที่จะทำตนให้เป็นบ่าวที่พรงรักขอให้เรามีชีวิตยอยู่ในสภาพของผู้ที่ได้รับทางนำแล้วก็เสียชีวิตยอยู่ในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ด้วยเถิดอาเมนอะกูลกาลฮวัฟรุลลอฮลิเบลักุมวลิซาลิมุสลิมีนะมินคุลิดามวะซัฟฟิรูอินนุฮฺวะลกฟุรอะห์ริฮิมซุบฮะรักัลลอฮฺวะฮ์ัมดิกะอัลชาดุลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัลสัฟฟิกวาตบุไล จนกว่าจะได้พบกันครับอินชาอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์สุลแมวะลิขุมุอัลฮัมดุลลอฮ์ัลบาโรัตุครับ